เดี๋ยวจะมาภาพจะได้เรียนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เลาเรื่องอาพาธขององค์หลวงตาฟังเน้่จะรายงานหรือว่าชี้แจงเป็นรายวันวันนี้ลูกพ่อจะชี้แจงก่อนฉันทังหันนครนิมนตครูบาอาจารย์ฉันทังหันนิมนคูบาอาจารย์ทุกองค์ฉันทังหันแลยก็ผมไม่ต้องรอกับผมจะชี้แจงไปแล้วก็คงไม่นานวันนี้ เป็นวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2553สรุปการอาพาธขององค์หลวงตามหาบัวยนต์สำปโนของพวกเราหลวงตายัางคง ม, มีอาการคลื่นไส่นะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนบ่อยครั้งอ่อนเคลียแต่ไม่ฉันอาหารมีนี่เป็นวันที่หแล้วแต่ว่าก็ได้ถวาย เภสัตหรือว่าถวายสารอาหารเข้าทางเส้นเลือดนะแล้วก็ถวายน้าน้ำเกลือเข้าทางเส้นเลือดแล้วก็บวกยาปฏิชีวนะพร้อมกับน้ำแล้วก็มีอาการไอแห้งๆอาการไอคองลงตายยังมีอยู่แต่น้ํามูกใสลดลงเมื่อวานวันก่อนน้ ำ, นำมูกใสมากแต่เมื่อวานเนี่ยลดลง อาการเป็นหวัดของดวงตาคงจะลดลงและอาการบวมพองที่ปลายนิ้วเท้าที่อาจารย์เรียนให้ทราบว่าปลายนิ้วเท้าท่านมีเท้าพองลดลงอาการเกือบจะดีเกือบจะหายแล้และแพทย์ได้ขอความเมตตาถวายการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะก็คือคงระงับเกี่ยวกับการการเป็นหวัดขององค์ลวงตา และยาละงับอาเจียนและสารน้ำทางหลอดเลือดอาการดีขึ้นจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันแต่ส่วนร ะ, ะ, ะบายและการถ่ายขององค์ลงตานั้นเมื่อวานนี้นไม่มีแต่วันก่อนนั้นมีแต่เมื่อวานนี้นไม่มีแตนนเ่เพราะวัดลงตาไม่ได้ชั้นอาหาร นะแล้วก็ส่วนปวัสสาวะเนี่ยหมอวัดได้350นะแต่อากีนเนี่นมากนะคณะสตาญาติโยมอาจีนของลุงตาเนี่ 700, 80, 4, 4, งงนเกียรอตสซีซีเม่ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้มือเช้านี้นะนอาการของลรงต า, าถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังทรงอยู่คณะแพทย์ คณะสงฆ์ได้ไประชุมหารือกันก็จะขอเชิญคณะแพทย์ผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านเข้ามามาร่วมหารือกันในเร็ววันนี้ในการรักษาองค์หลวงตาให้ทีมเนี่ยไปชุมกันเป็นระยะๆแต่ว่าครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งที่พร้อมพอสมควรคือเป็นครั้งใหญ่คณะสงฆ์พร้อมกับคณะแพทย์แต่คณะแพทย์คงจะไปชุมกันก่อนต่อไปก็คงจะเป็นคณะสงฆ์ ไปชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดูแลองค์หลวงตาของพวกเราเพราะนั้นขอให้พี่น้องศรัทธายาิโยมที่อยู่ไกลไม่ได้มาร่วมพวกอยู่ใกล้หรือว่าพวกอยู่ที่อยู่หน้างานเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์หลวงตาพวกเราจะพยายามทาให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดแต่วันนี้ ชั้นจังหันเสร็จแล้วนะอาตมาภาพก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากหลวงปู่ลีท่านพาลุกไปใน ท, ที่อื่นอาตมาก็คงจะลุกตามหลวงปู่ลีว่างั้นเถอะเพราะนั้นหลวงปู่ลีท่านพาลุกหลวงพ่อก็คงจะลุกหลวงพ่อจะพูดในวันนี้แล้วก็คงจะจบในวันนี้เท่านั้นแหะนะ